เพราะฉะนั้นก็ต้องหัดกําหนดที่กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละก็เป็นป่าไม่ใช่บ้านไม่ใช่ผู้คนก็เป็นการกําหนดที่เรียกว่าอรันติสัญญากําหนดป่าขึ้นมาแต่เมื่อยังมีกายมีเวทนาจิตธรรมอยู่ก็ง่ายที่จะน้อมเนาวจิตไปเป็นบ้านเป็นผู้เป็นคน กำหนดอีกทีหนึ่งก็ปัทวีตสัญญากำหนดให้เป็นแผ่นดินขึ้นมาเรียบราบเป็นหน้ากรองไม่มีภูเขาต้นไม้ไุ่นน้องครองบึงไม่มีกายไม่มีเวทนาไม่มีจิตไม่มีธรรมเป็นธรรมชาติธรรมดาหรือเป็นธาตุไปทั้งหมดขั้นนี้ก็สูงขึ้นมาไกลกิเลสอีก และต่อจากนี้ก็ตรัสสอนให้กำหนดเพิกแผ่นดินออกเสียทั้งหมดเป็นอากาศคือเป็นช่องว่างไปทั้งหมดขึ้นไปสูงขึ้นไปก็น้อมเข้ามาว่าเป็นวิญญาณคือตัวรู้ไปทั้งหมดสูงขึ้นไปอีกก็กำหนดว่าในช่องว่างและในตัวรู้ที่แผ่ไปในช่องว่างนั้นน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีสูงขึ้นไปอีก ก็กำหนดดูว่าความที่กำหนดดังนั้นเป็นสัญญาก็ไม่ใช่ไม่เป็นสัญญาก็ไม่ใช่ละเอียดมากอีกที่หนึ่งก็อนิมิเตเจตเจโตสมาธิจิตรวมเข้ามาสงบตั้งอยู่ภายในประกอบด้วยธาตุของจิตสองอย่างคือธาตุรู้และธาตุติมภัชสอนคือผุดทอง รู้อะไรได้ยินอะไรเป็นต้นก็ไม่กําหนดจึงเป็นอนิมิตตะอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าทั้งหมดนั้นก็ยังเป็นสังขารคือความปรุงแต่งยังต้องปรุงจิตปรุงใจเพราะฉะนั้นก็ไม่ยึดถือวางความปรุงแต่ง ตอนนี้เองที่จิดพ้นได้จากอาสวะกิเลส ท, ที่ดองสนดานทั้งหลายถอนตัณหาออกจากกิจใจได้ถอนได้เมื่อไรก็เป็นนิพพานสิ้นทุกข์กันเมื่อ น, นั้นจึงได้ตรัสว่าในข้อทายนี้เป็นสุญญาตาคือความว่างที่เป็นปรมุตต ร, ระปรมะก็คือบรมอย่างยิ่งอุตร อนุตตราก็คือว่าไม่มีสุญญตาอื่นยิ่งขึ้นไปกว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีกายนี้ซึ่งมีอายตนะหกอยู่เท่านั้นแต่ไม่มีกิเลสดองสันดานก็ทนุบำรุงร่างกายนี้ไปจนกว่าจะนิพพานคือดับขันในที่สุดนี้เป็นความที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในประสูตรที่ว่าสุญญ า, าน้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 สำมรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลรมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานการปฏิบัติตั้งสติเพื่อให้สติตั้ง และเพื่อให้ใดปัญญาหรือญาณความอย่างรู้ในกายเวทนาจิตธรรมเป็นสติปัฏฐานในกายเวทนาจิตธรรมเป็นโพชฌง ในกายเวทนาจิตธรรมและเป็นยานความอย่างรู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ก็ในกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดนี้ก็ รวมอยู่ที่จิตนี้เองมีใช่ที่อื่นสติก็ตั้งขึ้นที่จิตโพชงที่เป็นตัวกุก็ตั้งขึ้นที่จิตญาณคือความอย่างรู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ ก็ตั้งขึ้นที่จิตแม้ว่าจะมีสับแสงธรรมะอยู่มากดังเช่นที่กล่าวมาแล้วแต่ภูปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติ ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ได้สติในลมหายใจให้เป็นสติปัฏฐานในลมหายใจเมื่อในสติขึ้นมาใจรวมเป็นสมาธิ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 ขึ้นด้วยตนเองและหากได้อาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างนำทางทำให้ได้สติปัฏฐานได้พอชงได้ยานในอริยสัจง่ายสะดวกขึ้นไปอีก และแม้ว่าจะได้ขั้นของธรรมดังกล่าวถึงจะไม่ต้องรู้จักชื่อเสียงแต่ก็เป็นอันวดใดวัดถึงเหมือนอย่างเมื่อมีแสงสว่างส่องทาง และคนเดินทางก็มีตาลืมดูทางก็เดินไปตามทางที่แสงสว 2. 2> ่างส่องเห็นต้นไม้นานาชนิดมีดอกนานาชนิดที่อยู่สองข้างทางแม่จะไม่ร um ู้จัก ว่าต้นไม้นี้ชื่อนั่นต้นไม้นี้ชื่อนนทนแต่ก็รู้ก็เห็นเห็นต้นเห็นดอกเห็นใบเป็นต้นโดยไม่ต้องรู้จักชื่อก็รู้ก็เห็นดังนี้เรียกว่า เป็นกายสักขีคือเป็นเหมือนอย่างเป็นสักขีพยานทางกายมองเห็นดังนี้แหละคือความรู้ความเห็นธรรมะแม้ว่า จะได้เล่าเรียนให้รู้จักชื่อเสียงของธรรมะแต่ไม่ได้เดินไปในสวนของธรรมะเองถึงจะรู้จักว่ามีต้นไม้ชื่อนั้นชื่อนี้ลักษณะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็สักแต่ว่ารู้ตามตำราเท่านั้นหรือตามที่ฟังมาเท่านั้นไม่ได้เห็นด้วยตนเองบางทีเมื่อไปเห็นเข้าด้วยตนเองแล้วก็ไม่รู้จักจนได้ซ้ำว่าชื่อตนอะไรตามที่ฟังมาตามที่เรียนมา ดังนั้นการปฏิบัติให้ได้สติได้โพดชงได้ยานในอริยสัจขึ้นมาด้วยตนเองโดยตั้งตนปฏิบัติกำหนดจิตเข้ามากำหนดดูลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนี่แหละ ให้ได้สมาธิและเมื่อได้สมาธิขึ้นแล้วความรู้ความเห็นจะเป็นไปเองและก็เป็นดังกล่าวเมื่อได้ความรู้ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าช่วยก็ยังจะทำให้ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติยิ่งขึ้น พระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้รู้จักความสุขซึ่งประสงค์ในการปฏิบัติธรรมและทรงสั่งสอน ให้รู้จักวิมุตต์คือความหลุดพ้นดังที่ได้ตรัสเรียกว่าเนคขัมมะสุขความสุข ที่เกิดจากเนคขมะคือการออกปวิเวกสุขความสุขที่เกิดจากความสงัดสงบอุปสมสุขความสุขที่เกิดจากความสงบระงับ สัมโพธิสุขความสุขที่เกิดจากความรู้พร้อมดังนี้ความสุขที่ได้ตรัสชี้ไว้เหล่านี้เพื่อความเข้าใจง่ายจึงได้ยกเอา คุณลักษณะแห่งความสุขนั้นกำกับไว้ด้วยเช่นทิฏฐัดเรียกว่าในคข ม, มสุขเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมะหากได้ตั้งใจฟัง และได้ทราบพระพุธธทธทาธิบายตามสมควรก็ย่อมจะมีความรู้สึกว่าแม้ว่ายังไม่สามารถจะได้พบกับเนคขมสุขอย่างสมบูรณ์ได้แต่ว่า ก็จำที่จะต้องให้ได้ความสุขเช่นนี้แม่น้อยเพราะว่าหากไม่ได้เสียเลยแล้วจะไม่ได้รับความสุขอันแท้จริง ซึ่งเป็นผลอันประเสริฐสำหรับตนเองเลยในขัมมะสุขความสุขที่เกิดจากการออกก็หมายถึงว่าออกจากเรื่องวุ่นวายทั้งหลาย อันเนื่องมาจากความกังวลผัวพันเป็นตน้นซึ่งเรียกรวมว่ากิเลสแม้ว่าทุกคนภู้ที่ยังละกิเลสไม่ได้ยังมีกิเลสอยู่และไม่สามารถจะโยนทิ้งได้ เพราะอย่างไรอย่างไรก็ยังมีกิเลสแต่แม้เช่นนั้นถ้าหากว่าให้กิเลสครอบงำโดยไม่มีความว่างเว้นแล้วก็จะมีความกังวลห่วงใยยุ่งเหลิงยุ่งเหยิงสับสน หาความว่างมิได้เมื่อเป็นดังนี้แม้จะมีความบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินภายนอกต่างๆแต่ว่าจิตใจของบุคคลเองนั้นไม่ได้รับความสุข แทนแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องหัดปฏิบัติทำจิตใจให้ออกได้จากเรื่องกังวลผูกพันทั้งหลายน้อยหรือมากไม่ยอมให้เรื่องทั้งหลาย เข้ามาผูกพันรึงรัดครอบงำเสียจนหาความว่างความสบายความสงบใดๆมิได้เพราะฉะนั้น พระบรมศา ส, สดาจึงได้ตรัสสอนให้ปฏิบัตินําตนออกจากเครื่องผูกพันูงใหญ่เป็นต้นเหล่านี้ไปโดยลำดับธรรมะที่ทรงสั่งสอน จะเป็นขั้นทานก็ตามขั้นศีลก็ตามขั้นภาวนาคือสมถะวิปัสนาหรือสภาธิปัญญาก็ตามทุกข้อทั้งบททุกบทย่อมเป็นกรรมสั่งสอนที่นำเพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกข้อทุกบทยังเป็นการปฏิบัตินำออกไปจากเครื่องผูกพันอาลัยห่วงใหญ่รวมเข้าก็คือว่าออกจากกิเลสและกองทุกเป็นเปล่าเปล่าเป็นเรื่องเรื่องไปโดยลำดับ และเมื่อเป็นดังนี้ปฏิบัติตนออกไปได้เท่าใดก็จะทําให้ได้ความสุขเท่านั้นออกได้มากก็ได้ความสุขมากออกได้น้อยก็ได้ความสุขน้อยเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดจากการออกดังนี้คือนเมฆขำมสัสข และเมื่อมีความเข้าใจว่าเป็นสุขสำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นครหอัดไม่ว่าจะเป็นชายไม่ว่าจะเป็นหญิงก็จะต้องมีการปฏิบัติออกไปได้จึงจะได้ความสุข อันแท้จริงดังนี้คือใน่คัมมสุขเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้ายึงได้เรียกว่านิยานิกธรรมธรรมะที่เป็นเครื่องนำออกไปคือนำออกไปจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งนั้น ไม่มีที่จะนำเข้ามาสู่กิเลสและกองทุกเลยสักข้อเดียวเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะที่เป็นนิยาติกธรรมนี้จึงได้การออกไปจากกิเลสและกองทุกเป็นเรื่องเรื่องเป็นข้อข้อเป็นเปราะเปะไปโดยลำดับดังนี้คือเนกขับมันสุขและแม้สุขอื่น อันที่จริงก็มีอัตถะคือเนื้อความเป็นอันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าแยกเรียกว่าปะวิเวกสุขความสุขที่เกิดจากความสงัดก็คือหมายความว่าทำาตนให้ส ง, สงบ เรื่องพัวพันทั้งหลายจากการคลุกคลีทั้งหลายเพราะว่าการที่จะออกไปได้นั้นก็จะต้องทำตนให้สงบสงัดจากการคุกคลีทั้งหลายด้วย ถ้าหากว่ายังมีการคลุกคลีอยู่ด้วยเรื่องนั้นๆด้วยสิ่งนั้นๆก็ยังออกไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องไม่คลุกคลีในสิ่งดังนั้ น, น, นด้วยเรื่องนั้นๆ ตลอดจนถึงด้วยบุคคลนั้นๆในทางที่ก่อให้เกิดความกังวลห่วงใยให้เกิดอิเลสให้เกิดความทุกข์ต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจึงได้มีแสดง ถึงกายวิเวกความสงัดทางกายจิตวิเวกความสงัดทางจิตใจอุปธิวิเวกความสงัดกิเลสไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถปฏิบัติตน ไม่ให้ครุกคลีแต่ให้ได้พบกับความสงัดสงบดังกล่าวก็เป็นอันว่าออกได้และก็ได้ความสุขที่แยกชื่อเรียกได้อีกว่าปวิเวกสุขความสุขที่เกิดจากความวิเวกคือความ ส ง, สงบอันหนึ่งยังเรียกชื่ อ, อย่างอื่นได้อีกแต่ก็มีอัธะคือความก็เป็นทางเดียวกันเป็นอันเดียวกันคือความสงบระงับเพราะว่าเมื่อมีความสงบระงับ หรือปฏิบัติให้จิตใจสงบระ ง, งับได้คือให้โลภโกรธหลงสงบระ ง, งับลงได้หรือว่าราคะโทสะโมหะสงบระ ง, งับลงได้น้อยหรือมากก็จะทำให้ความครุกครีลดลง จะทำให้การผูกพันลดลงเพราะฉะนั้นยังต้องมีการปฏิบัติกายวาจาใจนี่แหละให้สงบกายสงบวาจาสงบใจโดยตรงก็คือว่าต้องคอยสงบรำงับ ราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภโกรดหลงสงบระงับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภโกรดหลงเหล่านี้ด้วยเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้ความสงบระงับทางกายทางวาจาและทางใจซึ่ง ทำให้เกิดความสุขอันเรียกว่าอุปสมะสุขสุขที่เกิดจากความสงบระงับซึ่งความสงบนี้เองพระบรมศาสด า, าได้ตรัสสอนว่าเป็นเหตุให้เกิดความสุขที่ไม่มีสุขอื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่า ในพุทธภาษิต ท, ที่เราทั้งหลายก็ทราบประโยชน์โดยมากว่าความสุขที่ยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีหรือว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้และในบรรดาการปฏิบัติเหล่านี้การปฏิบัติ ให้ในปัญญาที่เป็นตัวสัมโพธิคือความรู้พร้อมย่อมเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าทรงละกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นได้ก็เพราะประสัมพोธิปัญญา ปัญญาคือความตัดสู้พร้อมเพราะฉะนั้นจึงละกิเลสและกองทุกได้ทั้งหมดสัมโพธิคือความรู้พร้อมนี้เป็นตัววิชาความรู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริง และโดยตรงก็คือความรู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงสัจจะที่เป็นตัวความจริงนี้ซึ่งเป็นอย่างยิ่งก็คืออริยสัจเพราะทำให้ภูรู้ละกิเลสและกองทุกข์เป็นอริยบุคคล บุคคลผู้ประเสริฐได้ก็คืออริยสัจญาณความอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่นั่นเองอันเป็นหลักสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาและเมื่อได้ปัญญาละกิเลสได้ก็ได้ความสุข